บทนี้จะได้สแสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอด 10. ความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวทุ ป, ปัญโยอสมาฮิโตเอกาหังสีวิตังเสยโยปัญญวันตัสยาชายิโน แปลว่าผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงผู้มีชีวิตยอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีฌานแม้มีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายไตยยตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่าวิส d o มหรือ i ิน e l l e ็ t ไม่ใช่โนเลส คำหลังหมายถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคำว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทยความหมายว่าความรู้แบ่งเป็นสองหมวดใหญ่หญคือสุตะกับปัญญาสุตตะนั้นได้จากการเล่าเรียนปัญญาเกิดขึ้นในตนด้วยการ ก, ารกลั่นกรองปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็มีเช่นโยคะปัญญาอันเกิดจากการประกอบ กระทำเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคำว่าปัญญาชนซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษว่า intellectual นั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทาต่างๆคือไม่ทำอะไรตามอารมณ์อันขัดกับเหตุผล ผู้ไร้ปัญญาที่ตัดในพระคาถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดต่ำไม่มีเหตุผลในการทำการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนไม่มีความสานึกรับผิดชอบต่อสังคมทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายชัดดิละฉานขาดการควบคุมตนเอง บุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้แม้มีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐสู้ผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้การกระทำของผู้มีปัญญาเม่เพียงคู่เดียวก่อให้เกิดผลดีอันยั่งยืนแก่คนมากไม่ต้องกล่าวถึงการทำทั้งวันโดยย่อปัญญาท่านแบ่งเป็นสองคือปัญญาอย่างโลกโลกเรียกว่าโรกิยปัญญาอย่างหนึ่ง ปัญญาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอารมณ์ของโลกเรียกโกรกุตระปัญญาอย่างหนึ่งเหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้สประการคือเกิดจากการศึกษาเร้าเรียนสุตตมยปัญญา 1. เกิดจากการคิดจินตมยปัญญาหนึ่งเกิดจากการอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญาหนึ่งปัญญาอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าสชาติกะปัญญาเท่ากับปัญญาที่ติดมาแต่กําเนิด ได้แก่ความฉเฉลียวฉลาดที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า i n t e l l i g e n ชคือการเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้ง่ายหรือวิ s d o m คือมีสมรรถภาพสูงในการเรียนรู้สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้กว้างไกลกว่าที่ได้ยินได้ฟังในปัญญาสองอย่างคือปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปัญญาทางธรรมว่าประเสริฐช่วยให้พ้นทุกข์ ในการเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากข้อความเหมือนอื่นที่จะพึงอธิบายได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่เก้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารกพระขานุโกนธั ญ, ญเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปทาความเพียรในป่าจนได้บรรลุอรตผล แล้วกลับมาด้วยต้องการทูลให้พระศ า, าสดาทรงทราบท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะลงพักแห่งหนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนป้นบ้านแห่งหนึ่งได้ซับแล้วห่อสิ่งของต่างๆตามกำลังของตอนนําไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยต้องการพักก็เข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งเข้าฌานอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางสิ่งของ ลงบนศีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกันโจรมากคนของจึงท่วมตัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไปลุกขึ้นเวลารุ่งอรุณคว้าห่อของของตนได้เห็นพระเถระแล้วทำท่าจะวิ่งหนีเพราะนึกว่าท่านเป็นอมนุษย์พระเถระกล่าวว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกอาตมาเป็นบรรพชิตหาใช่ออมนุษย์ไม่ จนทั้งหมดหมอบลงแทบเท้าพระเถระขอให้ท่านยกโทษให้เพราะไม่ได้มีเจตนาเข้าใจว่าเป็นต่อไม้จึงกระทำเช่นนั้นโจนทั้งหมดขอบวชในสำนักของท่านเพราะความเลื่อมใสในอนุภาพบวชแล้วพระเถระพาไปเฝ้าพระาศาสดาภิกษุเหล่านั้นทูลพระาศาสดาว่ายังไม่เคยเห็นใครมีอนุภาพเช่นนี้เลยพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้เพียงวันเดียวของพวกเธอ ผู้ดำรงอยู่ในปัญญาสำปทาเช่นนี้ประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไร้ปัญญาพระาศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจะวัศ ส, สตังสีเวเป็นอาธิมีเนยะดังพรนนามาแล้วนั่นแหละสิบเอ็ดชีวิตของผู้มีความเพียรพระพุทธภาษิต โยจะวัสสตังชีเวกุสีโตหินวีริโยเอากาหังชีวิตังไสโยวิริยังอาระัะโตทันหังแปลว่าผู้ใดเกียรติคร้านมีความเพียรต่ำแม้จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีการมีชีวิตอยู่ของเขาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมั่นคงไม่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า คนเกียรตคร้านคือคนไม่ปรารถนาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายแม้ร่างกายไม่ได้เหน็ดเหนื่อยไม่ได้เจ็บป่วยแต่ก็ไม่ทำงานเอาแต่กินนอนเที่ยวและประกอบกรรมอันเป็นโทษต่างๆเช่นความเป็นนักเลงต่างๆเช่นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเป็นต้นมีข้ออ้างในการไม่ทำงานมากเช่นอ้างว่าหนาวนักร้อนนักยังเช้าอยู่เย็นมากเสแล้วคนอื่น ไม่เห็นมีใครทำเราจะทำทำไมหรืออ้างว่าไม่มีอะไรจะทำความจริงสิ่งที่ต้องทำนั้นมีอยู่เสมอตายแล้วเกิดอีกสกี่ชาติก็ทำไม่หมดนอกจากจะไม่อยากทำเท่านั้นแล้วเที่ยวอ้างนั่นอ้างนี่ความรู้ที่มีอยู่ในโลคเรียนอีกสกี่ชาติก็ไม่หมดเมื่อป่วยน้อยก็กลัวว่าหากทำงานเข้าก็าาจะป่วยมากจึงไม่ทาเมื่อป่วยมากเข้าก็ยิ่งเป็นข้ออ้างได้สมใจ หายป่วยแล้วก็ไม่ทํางานเกรงว่าโรคจะกลับมาอีกตรงกันข้ามกับคนมีความเพียรเมื่อป่วยน้อยก็รีบทํางานตามกําลังของตนเพราะคิดว่าหากป่วยมากจะไม่ได้ทําเมื่อหายป่วยแล้วก็รีบทํางานตามกําลังของตนเพราะเกรงว่าหากโรคกลับมาอีกจะไม่ได้ทําเมื่อ ย, ยังเช้าอยู่ก็รีบทํางานเพราะจะได้ผลงานมากเย็นแล้วก็รีบทํางานกลัวจะขําเสียก่อนทําไม่ทันคนมีความเพียรย่อมไม่ผัดวันประกันพรุ่ง นึกอยู่เสมอว่าความเพียรควรทําในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือไม่แต่คนเกียดคร้านพอนึกถึงความตายก็มืออ่อนเท้าอ่อนไม่ปรารถนาทําอะไรเพราะกลัวเหนื่อยแรงเปล่าไม่กี่วันจะตายอยู่แล้วทําไปทําไมหาความสุขจากความเกียดคร้านดีกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทําความเพียรเข้าบ้างก็ทําอย่างย่อหย่อนเต็มทีที่ท่านเรียกว่ามีความเพียรเรว ฮีนะวิดีโอเมื่อเหตุย่อหย่อนก็หวังผลมากไม่ได้เมื่อได้ผลน้อยคนเกียรคร้านก็ตีโอยตีภายว่าทําแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรหาเรื่องไม่ทําต่อไปอีกส่วนคนมีความเพียรดีเมื่อทําอะไรลงไปแล้วยังไม่ได้ผลก็รอคอยเมื่อได้ผลน้อยไม่สมใจก็คิดว่าเหตุที่ทําน้อยไม่พอแก่ผลที่หวังก็เร่งทําเหตุเพิ่มเติมเพื่อให้มีกําลังพอในการบรรดาญผลที่ต้องการ คนเกียดคร้านหาความสุขจากความเกียดคร้านก็หาได้เหมือนกันแต่เป็นความสุขที่เจือด้วยพิษภัยไม่มีผลอะไรเหลือไว้ให้ชื่นใจในภายหลังมีแต่นึกขึ้นแล้วต้องเสียใจบ่นเพื่อว่าถ้าไม่มัวเกียดคร้านอยู่ป่านนี้คงเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเข้าไปกันไกลลิฟดังนี้เป็นต้นคนมีความเพียรชอบแสวงหาความสุขจากการทางานเห็นงานเป็นเทพประบเทพธิดา เป็นพระเจ้าที่จะอำนวยสวัสดีมงคลให้แก่ตนต้องการผลอย่างใดก็พยายามทำเหตุอย่างนั้นด้วยกำลังเรียลแรงความสามารถทุกด้านความสุขจากความเพียรชอบเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษมีผลทัทง้งทางจิตใจและทางสังคมไม่กินแหนงตนเองเมื่อร ะ, ะลึกถึงหน้าที่ของเราคือความเพียรส่วนการให้ผลนั้นเป็นหน้าที่ของเหตุที่เราทาเราแบ่งหน้าที่กันไว้แล้ว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 ที่ว่าต้องมียานหรือความรู้นั้นคือมีปัญญาตรวจตราโดยรอบคอบอย่างลงลึกและกว้างว่าควรทำความเพียรพยายามในเรื่องใดจึงจะมีผลดีเมะแก่ความปรารถนาของตนขยายความว่าทำความเพียรถูกเรื่องถูกกาละเทศะไม่เป็นทำนองรีดนมบัวจากเขาโคคั้นน้ำมันจากเม็ดทรายหวานพืชบนหินแต่รีดน้าน ม, มโคจากแม่โคนม คันน้ำมันจากเมล็ดพืชที่มีน้ำมันและหวานพืชดีในานาดีเมื่อมีองค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์และองค์อันเป็นหลักสมบูรณ์ตามลักษณะของมันเมื่อการเวลาเหมาะผลย่อมงอกงามเต็มที่ให้ความชื่นชูใจแก่เราผู้ทำองค์เล็บตัวอย่างการทำนาองค์แท้คือข้าวปลูกหรือเมล็ดพืชพื้นที่องค์ประกอบคือการไถการหวานน้ำไม่มากไม่น้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้เรียกว่าองค์แท้ สิ่งที่ขาดได้บ้างเรียกว่าองค์ประกอบในทีน่นี้จะเห็นว่าเมล็ดพืช น, นั้นขาดไม่ได้พื้นที่กับเมล็ดพืชจึงเป็นองค์แท้นอกนั้นเป็นองค์ประกอบพืชอาจจะงอกในเนื้อที่บางแห่งได้โดยไม่ต้องมีการไถหรือหว่านในห้องเรียนครูเป็นองค์แท้นักเรียนและอื่นๆเป็นองค์ประกอบขาดครูเพียงคนเดียวการสอนข้อดาเนินไปไม่ได้นักเรียนขาดบ้างเป็นบางคนได้แต่ถ้า ถือเอานักเรียนทั้งหมดทุกคนในห้องเรียนนั้นนักเรียนก็เป็นองค์แท้เหมือนกันเพราะขาดนักเรียนเสรแล้วการสอนก็ไม่มีผลแก่ใครบุคคลผู้มีชีวิตอยู่อย่างเกียรติคร้านเป็นการทำชีวิตให้เป็นหมันเป็นภาระแก่สังคมความตายดีกว่าชีวิตเช่นนั้นส่วนผู้มีความเพียรแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้เกียรคร้านอยู่ถึง100ปี เรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเชตวนารามืองสาวัตถีทรงปราบรพระสัพพธาตมีเรื่องย่อดังนี้เมื่อเป็นเครือขัดท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาและมีความเลื่อมใสขอบวชเมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งเกิดความกระสันใคร่ศึกแต่มาคิดว่าเราบวช ด, ด้วยศรัทธาภาวะแห่งครือขัดไม่สมควรแก่กุลบุตรเช่นเรา การตายในเพศบรรพชิตดีกว่าการศึกออกไปดังนี้แล้วคำหนึ่งหาวิธีตายอยู่ว่าจะตายอย่างไรวันหนึ่งภิกษุหลายรูปสงน้ำแต่เ ช, ช้าฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปในบริเวณวิหารเห็นงูที่โรงไฟจึงจับงูใส่หม้อแล้วนำออกจากวิหารสวนทางกับภิกษุผู้กระสันใครศึกเธอถามภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วรับอาสาจะนางูไปทิ้ง รับหมอ้องูจากภิกษุรูปหนึ่งแล้วคิดว่าบัดนี้เราได้เครื่องมือในความตายแล้วจึงรีบนําหม้องูไปในที่รับแห่งหนึ่งเปิดหมอ้อแล้วให้งูกัดแต่งูไม่กัดเธอจึงเอามือล้วงลงไปในหมอ้อแกวงมืออยู่ทั่วหมอ้องูก็ไม่กัดจึงเปิดปากงูเอานิ้วแย่ลงไปงูก็ยังไม่กัดอีกเธอคิดว่างูนี้ไม่ใช่งูร้ายเป็นงูเรือนแล้วปล่อยไป เมื่อพระภิกษุจับงูได้ภิกษุนั้นถามเธอว่าปล่อยงูแล้วหรือเธอตอบว่าปล่อยไปแล้วแต่มันไม่ใช่งูพิษมันเป็นงูเรือนอะไรกันผู้มีอายุภิกษุรูปนั้นกล่าวมันเป็นงูพิษร้ายทีเดียวแผลแม่เบี้ยใหญ่ขู่ฟู่ฟูพวกเราจับมันได้โดยยากทําไมท่านจึงว่าเป็นงูเรือนผู้มีอายุข้าพเจ้าให้มันกัดมันไม่กัดข้าพเจ้าเอานิ้วแย่ลงไปในปากมันมันก็ไม่กัด ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็เฉยเสียต่อมาอีกวันหนึ่งช่างกะระบกมาโปร่งผมภิกษุในวิหารวางมีดโกนเล่มหนึ่งไว้กับพื้นภิกษุผู้กสันเห็นมีดโกนคิดว่าจะฆ่าตัวตายด้วยมีดนั้นจึงถือมีดโกนที่ช่างกะระบกวางไว้กับพื้นไปยืนพาดคอเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งจ่อคมมีดโกนที่ก้านคอพรางใครค่ควรถึงศีลของตนตั้งแต่อุปสมบท ได้เห็นศีลบริสุทธิ์หมดหมนทินดังดวงจันทร์ปรชาชจากเมฆหมอกเมื่อตรวจดูศีลอยู่อย่างนี้ปีติได้แผลซ่านทั่วสรีระเธอข่มปีตินั้นแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตาผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วถือมีดโกนเข้าไปในวิหารภิกษุหลายรูปเห็นเธอแล้วถามว่าผู้มีอายุท่านไปไหนมาข้าพเจ้าถือมีดโกนไปด้วยคิดว่าจะตัดก้านคอตัวเองให้ตายแล้วทําไมจึงไม่ตาย บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ควรฆ่าตัวตายแล้วขณะที่ข้าพเจ้าจอบคมมีดโกนที่ก้านคอด้วยคิดว่าจะตัดก้านคอแต่กลับตัดกิเลสเสียสิ้นด้วยมีดคือยานภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระรูปนั้นอวดอ้างกราตผลซึ่งไม่มีในตนจริงพระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระกีนาศย่อมไม่ประหารชีวิตของตนเองทรงรับรองความเป็นอรหันต์ของพระรูปนั้น ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยแห่งอรหัตผลเช่นนี้เหตุไรจึงกระสันใครจะศึกอะไรเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของภิกษุนั้นและเหตุไรงูจึงไม่กัดเธอพระศาสาด า, าสตรัสว่างูนั้นเคยเป็นพาศของภิกษุนั้นในอัตภาพที่สาจากกัตภาพนี้มันไม่กัดนายของมันตั้งแต่นั้นมาใครๆก็เรียกภิกษุนั้นว่าสัพพธาตุวงเล็บ ผู้มีงูเป็นธาตุบุพกรรมของพระสัพพทาตเถระในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสส ป, ปะชายหนุ่มบุตรแห่งขหะบดีคนหนึ่งฟังธรรมของพระาศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบรรพชาสมบทต่อมากสันใคร่จะศึกจึงบอกเพื่อนสาธรรมสัพพมจารีรูปหนึ่งภิกษุนั้นได้กล่าวพระณนาโทษแห่งความเป็นเครื่องหัดและคุณแห่งบรรพชาแก่เธอเนือง จนกระทั่งเธอระ ง, งับความกระสันได้กลับเป็นผู้ยินดียิ่งในพระศาสนาวันหนึ่งนั่งขัดสมณะบริหารที่ปล่อยไว้สมัยเมื่อใครศึกให้สะอาดอยู่ที่ริมสะแห่งหนึ่งสหายของเธอก็นั่งอยู่ใกล้ๆนั่นเองภิกษุนั้นได้กล่าวกับสหายว่าเมื่อตอนที่คิดจะศึกตั้งใจจะถวายบริขารเหล่านี้แก่ท่าน ภิกษุผู้สหายได้ฟังดังนั้นเกิดโลภขึ้นอยากได้บริขารของเพื่อนจึงพูดหนึ่งๆว่าผู้มีอายุประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างขอทานเที่ยวขออาหารจากสกุลอื่นไม่ได้มีความสุขยัยงสามัญชนไม่ได้มีบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเธอฟังคำสอนของสหายนั้นแล้วเกิดกระสันใคร่ศึกขึ้นอีกแต่เฉลียวใจคิดว่าภิกษุนี้เมื่อเราบอกว่ากสันใครศึก ในครั้งก่อนได้พรารนาโทษแห่งความเป็นเครื่อหัดอยู่เนืองๆแต่มาบัดนี้กลับกล่าวโทษแห่งความเป็นบันปสิทธ์สรรเสริญคุณแห่งความเป็นเครื่อหัดเพราะเหตุไรหนอเข้าใจว่าภิกษุสหายโลภอยากได้สมณบริหารจึงกระทำเช่นนั้นจึงกลับจิตของตนเสียด้วยตนเองเพราะเหตุที่เคยทําให้เพื่อนภิกษุกสานใครศึกเพราะโลภในสมณบริหาร น, นั่นเองพระสัพ ป, ปทาต จึงมีความกระสันใคร่สึกและเพราะอานิสงส์แห่งสมณธรรมที่บำเพ็ญมานานพระสัพพทาจึงมีอุปนิสัยแห่งพระอาหั ต, ตผลในชาตินี้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วทูลถามว่าได้ยินว่าพระสัพพทาตยืนเอาคอพาดต้นไม้เอามีดโกนจ่อคอด้วยประสงค์จะตัดก้านคอของตนได้บรรลุอรหัตในการนั้นก็อรหัตมรรเกิดขึ้นในขณะเดียวเท่านั้นหรือ พระศาสดาตัดว่าอย่างนั่นแลภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุปลารบความเพียรยกเท้าขึ้นวางบนพื้นเท้ายังไม่ทันถึงพื้นพระอรหัตตะมักก็เกิดขึ้นได้ชีวิตของผู้มีความเพียรแม้เพียงขณะเดียวประเสริฐกว่าชีวิตของผู้เกียจคร้านมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีดังนี้แล้วได้ตัดพระพุทธภาษิตว่าโยจะวสัสสตังสีเวเป็นอาทิมีเนยะดังปรญนามาแล้วนั่นแหล สิบสองชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับพระพุทธภาษิตโยจะวัตสสตังชีเวอปัสสังอุทยัยพปยังเอกาหังชีวิตังไสยโยปัสสโตอุทยัย พ, พยังแปลว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐ ส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าความเกิดและความดับนั้นท่านหมายถึงความเกิดและความดับหรือความเสื่อมแห่งสังขารอัานเรียกในวิปัสนาญาณว่าอุทยพยานุปัสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทยพย า, ยานแปลว่าญาณเห็นความเกิดดับแห่งนามรูป เพื่อยังความนี้ให้แจมแจ้งขอกล่าวถึงวิปัสนาญาณพอสังเขวิปัสนาญาณแปลว่าญาณในวิปัสนาพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสนาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมต้องผ่านญาณเหล่านี้โดยลำดับห่วงเล็บเหมือนคนนั่งรถเม์ผ่านป้ายรถเม์คือหนึ่งอุทยพยานุปัสนาญาณญาณตามเห็นความเกิดและความเสื่อม หรือความดับแห่งนามรูป 2. พังคานุปัสนาญาณญาณตามเห็นความดับแห่งนามรูปคือเห็นความดับไปแห่งนามรูปอย่างเดียว 3. พยะตุปัฐฐานญาณญาณเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความต้องทุกข์บ่อยบ่อย 4. อาทีนวานุปัสนาญาณ ยานตามเห็นโทษของนามรูป 5. นิพิทานุปัสนาญาณยานตามเห็นความเบื่อหน่ายในานามรูป 6. กมนจิตุกรรมมะยะตาญาณยานใครจะพ้นไปเสียจากนามรูปนั้น 7. ปฏิสังขานุปัสนาญาณยานตามพิจารณาหาทางแห่งความหลุดพ้น 8. สังขารูปเปขายาน ยานวางเฉยในสังขารก้าสัจจานุโลมิกยายนยานในขณะประจักแจ้งซึ่งอริยสัจส ร, รวมความดังนี้บุคคลเมื่อเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบแล้วย่อมเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปต่อจากนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียวจึงเห็นนามรูปเป็นของน่ากลัว มองเห็นโทษนานาประการเพราะเป็นบอ่อเกิดและที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเบื่อนายคลายความกำหนัดต้องการพ้นไปเสียคือยกจิตให้พ้นจากความยึดติดในนามรูปจึงพิจารณาหาทางเห็นว่าความวางเฉยในสังขารทั้งปวงนั่นเองเป็นทางอันชอบต่อจากนั้นจิตย่อมดำเนินไปสู่การรู้แจ้งในอริยสัจ4ี่ ในการเจริญวิปัสสนานี้ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านวิสุทธิเจ็ดอีกด้วยวิสุทธิเจ็ดนั้นคือ 1. ศสีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตตะวิสุทธิความปลอดโปร่งจากอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์รบกวน 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็น คือได้เห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา 4. กังขาวิตรณะวิสุทธิความหมดจดเพราะข้ามความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งนามรูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน 5. มัคคามัคคยานนทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานนณนทัศน์ว่าอันใดเป็นทางอันใดมิใช่ทาง ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศน์นเกี่ยวกับปฏิปทาให้ถึงพระนิพพาน 7. ญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนคือมีความรู้ความเห็นสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเจริญวิปัสนาจนสภาพจิตข้ามพ้นกังขาวิตรณวิสุทธิแล้ววิปัสนูปกิเลส วงเล็บเครื่องทำให้วิปัสนาเศร้าหมองอุปสรรคของวิปัสนาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติหลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระนิพพานแล้วติดอยู่ในวิปัสนูปกิเลสทั้งสิบนั้นไม่อาจก้าวขึ้นสู่วิปัสนาเบื้องสูงต่อไปวิปัสนูปกิเลสสิบคือ 1. โอภาษแสงสว่างบางคนเห็นมากบางคนเห็นน้อย 2. ปีติความเอิบอิ่มใจจนไม่อาจระงับได้บางทีถึงกับต้องหัวเราะออกมาวงเล็บปีติทั้งห้าอย่าง 3. ปัสสธิความสงบอันตนไม่เคยประสบมาก่อน 4. อธิโมกความน้อมใจเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในทางแห่งความบริสุทธิ์ 5. ปักคาหะความเพียรควา ม, มกระหมกคเม่น ความเชื่ออย่างมั่นคง 6. อุปทานความตั้งมั่นแห่งจิต 7. สุขความสุข 8. ยญาณความรู้ 9. อุเบกขาความวางเฉย 10. นิ ก, กันติความพอใจความติดใจในอารมณ์ผู้ปฏิบัติได้มาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยพบในชีวิตปกติอาจหลงไหลติดอยู่ในปีติและสุขเป็นต้น เพราะปีติสุขเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของบุคคลผู้ต้องการละกิเลสโดยเด็ดขาดจึงต้องพิจารณาละวิปัสสนูปกกิเลสทั้งสิบนี้เพราะมีใช่ทางแห่งพระนิพพานมันเป็นเพียงหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ล่อให้หลงเมื่อเห็นโทษและและได้แล้วยานอันทาให้เห็นทางพระนิพพานก็เกิดขึ้นนั่นคือมักขามัขยาณนัศนวิสุธิและดาเนินต่อไปจนถึงพระนิพพาน วิสุทธิเจดนี้ท่านเปรียบเหมือนรถเจ็ดผลัดที่ส่งบุคคลให้ถึงจุดหมายปลายทางรถย่อมไม่ใช่จุดหมายปลายทางฉันใดวิสุทธิเจดนี้ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมชั้นนั้นแต่เป็นเครื่องมือเป็นทางนำไปสู่จุดหมายคือมรรคผลนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานคือความดับโดยไม่มีเชือ้อ หรือตามระยะแห่งรัฐวินีตสูตรมัชฌิมณิกายมัชฌิมปัณนาตซึ่งพระปุณณมันตานีบุตรได้สนทนากับพระษาลีบุตรเทระขอย้อนกล่าวทั้งเรื่องความเกิดและความดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นโดยธรรมดารูปและนามร่างกายและจิตใจของคนเราเกิดดับอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เนื่องจากสืบต่อกัน ร, รวดเร็วมากจึงไม่ค่อยรู้ว่าเกิดดับ มองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เขารู้ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่คนธรรมดาสามัญทั้งหลายย่อมมองไม่เห็นโลกหมุนและไม่ได้รู้สึกว่าโลกหมุนเลยรู้สึกว่ามันอยู่เฉยๆแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะทางวิทยาศาสตร์ชันใด พระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปร่างกายและจิตใจเกิดดับอยู่เสมอไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทรงรู้ด้วยเครื่องมือคือพระญาณหรือพระปัญญาอันสูงเยี่ยมแล้วตรัส บ, บอกพวกเราไวา้คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นความเกิดดับทุกขณะของร่างกายและจิตใจนั้นมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะของพระาศาสดาฉันนั้น ทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเมื่อเกิดขึ้นใหม่อีกก็ดำเนินไปทำนองนั้นภาษาอังกฤษเรียกสภาวะอย่างนี้ว่าม uh, er ุมเมนคารินเอสแปลว่าความเป็นไปชั่วคราวไม่ยั่งยืนตรงกับคำว่าคณิกะภาวะในบาลีคือเป็นไปชั่วขณะหนึ่ง ที่คนทั้งหลายเห็นเป็นเที่ยงและ ย, ยั่งยืนนั้นก็เพราะสันตติความสืบต่อไม่ขาดสายบังไว้และคงรักษารูปลักษณะเอาไว้แต่ก็ไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงเช่นความชราของร่างกายซึ่งไม่มีอะไรห้ามได้ไม่มีอะไรปิดบังได้คณิกะวาทะของพระพุทธเจ้าได้เข้ากลางระหว่างวาทะทั้งสองอันถือว่าเป็นส่วนสุดต่งไปข้างหนึ่งคือสัจธวาทะ ความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนและอุดเฉษทวาทะความเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรมีอยู่หรือดำรงอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นย่อมมีขึ้นเป็นขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยในขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพียงชั่วคราววงเล็บคณิกะการเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าชีวิตของผู้เห็นเกิดดับแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าเรื่องนี้ทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาบถีทรงปรารพนางปต a จารามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางปต a จารา ปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่อรุ่นสาวได้ร่วมรักกับคนใช้ของตนโดยที่มารดาบิดาไม่ได้ทราบระแคะราคายเลยแม้แต่น้อยต่อมาชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีศักตระกูลเสมอกันมาขอนางมารดาบิดาของนางยกให้กําหนดวันวิวาแล้วนางจึงบอกแก่คนใช้ซึ่งเป็นคนรักของนางว่าหากนางเข้าสู่พิธีวิวาแล้ว เขาไม่อาจพบนางได้อีกไม่ว่าในกรณีไรๆเพราะฉะนั้นหากว่ารักนางจริงก็ขอให้พานางหนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนวันวิวาบุรุษนั้นรับทำตามคําของนางนัดหมายกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปคอยอยู่แต่เช้านะที่แห่งหนึ่งปตาจาราปลอมตัวเป็นทาสีนุ่งผ้าปนรเอาํำทาตัวสยายผมถือมอน้า รวมไปกับพวกทาสีไปยังที่นัดหมายแล้วพากันหนีไปอยู่ณนะบ้านป่าแห่งหนึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาสามีไถานาในป่าเก็บผักขักฟืนส่วนภรรยาตักน้ำตาข้าวและหุงต้มเป็นต้นต่อมานางมีคันเมื่อท้องแก่จะคลอดนางขอร้องสามียงให้นำกลับไปบ้านเดิมเพื่อคลอดบุตร เพราะที่บ้านป่าไม่มีญาติพี่น้องหรือใครๆที่จะช่วยเหลือในการคลอดได้แต่สามีไม่ยอมไปเพราะกลัวพ่อตาแม่ยายจะทําร้ายหรือฆ่าให้ถึงตายนางอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าเ ล, แ, ลแต่ไม่มีผลวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทํางานในป่านางสั่งเพื่อนบ้านไว้ว่าหากสามีกลับมาถามถึงนางขอให้บอกว่านางกลับไปคลอดที่บ้านเดิมดังนี้แล้ว ออกจากบ้านป่ามุ่งหน้าสู่นครสาบถีสามีกลับจากป่าทราบความเข้าจึงรีบออกติดตามมุ่งหมายจะเอาตัวกลับมาทันเข้าระหว่างทางอ้อนวอนให้นางกลับสู่บ้านป่าแต่นางหายอมไม่ยืนยันจะไปคลอดที่บ้านอย่างเดียวขณะนั้นลมกรมัชวาสเกิดขึ้นนางปวดท้องจะคลอด จึงเข้าไปบังพุ่มไม้แห่งหนึ่งนอนกลิ้งเกรือยอยู่กับพื้นดินคลอดได้โดยยากแต่ก็คลอดจนได้เมื่อคลอดแล้วสองสามีภรยาจึงพากันกลับยังบ้านป่าตามเดิมต่อมานางตั้งครรภ์อีกจึงบอกสามีโดยในยะก่อนและหนีออกจากบ้านเมื่อสามีไม่อยู่สามีตามมาทันเข้าอ้อนวอนให้กลับนางก็ไม่ยอมกลับขณะที่ทั้งสองกาลังโตเถียงกันอยู่ ฝนตั้งเขาขึ้นมาพร้อมๆกับที่นางปวดคันจะคลอดนางบอกความนั้นแก่สามีขอให้ทําที่สักแห่งหนึ่งที่พอบังฝนได้ฝ่ายสามีถือมีดเข้าไปยังพุ่มไม้ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดไม้อสรพิษมีพิษร้ายแรงตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากจอมปลวกกัดเขาสรีระของเขาเขียวขึ้นเพราะพิษงู แล่นไปทั่วเสมือนไฟเกิดขึ้นภายในกายแล้วเผาไหมอยู่เขาล้มลงตายณนะที่นั้นเองฝายปตาจาราประสบทุกอย่างหนักฝนเริ่มเทลงมาอย่างแรงนางมองดูทางมาของสามีก็ไม่เห็นได้คลอดบุตรตรงนั้นนั่นเองเด็กทั้งสองไม่อาจทานกำลังลมและฝนได้จึงร้องให้ลั่นออกมานางหมดปัญญาที่จะทำอย่างอื่นจึงเอาเข่า และมือทั้งสองยันลงกับพื้นคล่อมบุตรทั้งสองไว้ตลอดคืนราตรีล่วงไปด้วยความยากลําบากของนางเป็นอย่างยิ่งร่างกายของนางซีดเหลืองไม่มีโลหิตเสมือนใบไม้เหลืองเมื่ออารุณ์ขึ้นนางกําหนดทางที่สามีเดินไปเมื่อเย็นวานแล้วอุ้มบุตรคนหนึ่งจูงคนหนึ่งเดินไปตามทางนั้นเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวก นางเสียใจอย่างใหญ่หลวงรำพันว่าเพราะเราแท้แท้สามีจึงตายอย่างนี้นางเดินมาถึงลำน้ำอจิระวดีซึ่งขณะนั้นน้ำเต็มเปี่ยมลึกแค่หน้าอกของนางนางจึงไม่สามารถนำบุตรทั้งสองข้ามไปพร้อมกันได้จึงให้บุตรคนโตรออยู่ก่อนพาบุตรคนเล็กเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้ข้ามไปก่อนวางไว้บนฝั่งแล้วกลับมาเพื่อรับบุตรคนโต ขณะที่นางมาถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาเข้าใจในบุตรคนเล็กของนางว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโฉบลงมานางซึ่งหันรีหันขวาอยู่กลางแม่น้ำเพราะเป็นห่วงบุตรคนเล็กได้เห็นดังนั้นจึงส่งเสียงไล่นกแต่นกไม่ได้ยินฝ่ายบุตรคนโตยืนรอแม่อยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงแม่และเห็นแม่ยกมือทั้งสองขึ้นเข้าใจว่าเรียกตนจึงกระโดดลงน้า น้ำซึ่งกำลังไหลเชี่ยวได้พัดเด็กน้อยจมลงทันทีปัตาจ a ราต้องสูญเสียบุตรทั้งสองในเวลาเดียวกันนางขึ้นจากแม่น้ำร้องให้รำพันไปว่าสามีของเราตายในทางเปลี่ยวบุตรคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปนางพบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาจึงถามถึงมารดาบิดาในเมืองสาวัตถีชายนั้นตอบว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักท่านทราบไม่ใช่หรือปตจราตอบว่าทราบแต่ฝนนั้นตกเพื่อนางคนเดียวคือเพื่อลงโทษนางคนเดียวชายนั้นบอกให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เรือนของเศรษฐีพังทับคนทั้งสามถึงตายคือเศรษฐีภรยาและบุตรชายคนหนึ่งคนทั้งสามกำลังถูกเผาที่เชิงตะกอเดียวกันควันยังปรากฏให้เห็นอยู่ ปตาจาราได้ทราบความนั้นตะลึงงันไม่รู้สึกแม้ความที่ผ้านุ่งหลุดลุ่ยออกจากตัวร้องให้รำพันบนเพอ้อเซ่ส่วนไปว่าบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีก็ตายในทางเปรี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกรเดียวกันคนทั้งหลายเห็นอาการของนางแล้วพูดกันว่าผู้หญิงบ้าผู้หญิงบ้าจึงเอาอยากเยื่อและฝุ่นโปรยลงบนศีรษะ วางป่าด้วยก้อนดินขณะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเ จ, เจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทณเสตวันมหาวิหารทอดพระเนเห็นนางปตาจาราผู้ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาสิ้นแสนกับมีอภินิหารเต็มเปี่ยมแล้วกําลังเดินมาทราบว่าปตาจาราเห็นพระเถระผู้ทรงวิเนรูปหนึ่งซึ่ง พระปัทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตถะคะจึงทำคุณความดีปรารถนาว่าขอให้หม่อมชันได้ตำแหน่งเอตถะคะทางทรงวิไนในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตพระปัทมุตระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะได้ตำแหน่งนั้นในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้า พระโคดมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นนางผู้มีอภินิหารอัิธรรมไว้แล้วกำลังเดินมาเช่นนั้นทรงดำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นซึ่งจะเป็นที่พึ่งของนางได้มีไม่จึงทรงวันดาลให้นางมุ่งหน้าสู่วิหารเชตวันพุทธบริษัทเห็นนางแล้วกล่าวกันว่าอย่าให้หญิงบ้าเข้ามาแต่พระศาสดาตรัสว่าอย่าห้ามเธอเลยจงให้เธอเข้ามาเถิดเราจะเป็นที่พึ่งของนาง เมื่อนางเข้ามาใกล้แล้วพระศ า, าสดาตรัสว่าน้องหญิงจงได้สติเถิดด้วยพระพุท ธ, ธานุภาพนั่นเองนางกลับได้สติแล้วกำหนดได้ว่าตนไม่ได้นุ่งผ้าจึงมีอาการขวยเขินนั่งกระยงเพื่อซ่อนเร้นอวัยวะอันพึงละอายชายคนหนึ่งโยนผ้าห่มไปให้นางนุ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมได้เป็นจางพระประดิษฐ์แท้พระบาททั้งสองทูลว่า ขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข่าเหยี่ยวเฉียวบุตรคนหนึ่งไปคนหนึ่งถูกน้าพัดไปสามีตายในทางเปรี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเกลือนทับตายพระศาสดาทรงปลอบนางว่าปตาจาราบัดนี้เธอได้มาอยู่เฉพาะหน้าของผู้อันจะเป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วอย่าคิดอะไรมากอย่าเสียใจเลย เธอจะได้สิ่งอันยิ่งใหญ่อื่นมาชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปป่ตาจราเอยน้ําตาของคนที่ร้องให้เพราะสูญเสียปิยชนมีบุตรเป็นต้นในสงสารอันยาวนานนี้มีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าเมื่อพระศาสดาตรัสสอนมัตตคะปริยายนี้อยู่ ความโศกของนางได้เบาบางลงพระศาสดาทรงทราบความนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าปตาจาราปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้มีบุตรเป็นต้นนั้นแม้มีก็เหมือนไม่มีบัณฑิตทราบดังนี้แล้วรีบเร่งชำระศีลให้บริสุทธิ์ทาทางไปสู่พระนิพพานของตน เมื่อจบพระธรรมเทศนาปตาจาราได้บรรลุโสดาปติผลคนอื่นๆก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนานี้มากปตาจาราได้อุปสมบทในสำนักภิกษุณีทั้งหลายวันหนึ่งนางเทน้ําจากหม้อน้ําล้างเท้าน้ํานั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดนางเทลงอีกครั้งที่สองน้ําไหลไปไกลกว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วหยุดครั้งที่สามก็เหมือนกัน นางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดไวทั้งสามว่าสัตว์ทั้งหลายตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งแรกตายเสียในมัชชิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งที่สองตายเสียในปชิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงในครั้งที่สามพระศาสดาประทับอยู่ที่พระกันทกุดีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่า ประทับยืนอยู่เบื้องหน้าของนางตรัสว่าอย่างนั้นแหละปตาจ a ราความเป็นอยู่เพียงวันเดียวหรือขณะเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจขันน์ประเสริฐกว่าคนเป็นอยู่ถึงร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมของเบญจขันน์ดังนี้แล้วตรัสย้าว่าโยจะวัฏสตังชีเวอปัสสังอุทย พ, พยังเป็นอาทิ มีนยะดังพรน น, นามาแล้วแต่ต้นนั่นแหละ